จเจรอนพรท่านผู้มีมจิตเมตตากรุดาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากความริจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทําบุญทําทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดที่จะนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ชีวิตจิตใจโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เราเป็นชาวพุทธ ควรจะรู้กันแต่กลับไม่รู้กันเพราะว่าไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จ, งจึงมักจะถูกหลอกถูกสอนให้ไปทำในสิ่งที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์เท่าที่ควรสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน กับไม่ค่อยได้สอนไม่ค่อยได้ทำกันศาสนาของพวกเรานี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนผลไม้ผลไม้นี้มีสองส่วนสำคัญคือเปลือกกับเนื้อเวลาเรากินผลไม้เรากินเนื้อแล้วเรากินเปลือกเวลาเราซื้อส้มมาเวลาเราจะกินส้มนี่เราแกะเปลือกทิ้งไป เรากินแต่เนื้อมันเพราะเปลือกมันกินแล้วมันไม่มีรสชาติไม่มีคุณประโยชน์เท่ากับกินเนื้อของสม้มฉันไดศาสนาพุทธก็มีสองส่วนมีส่วนที่เป็นเปลือกและส่วนที่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นเปลือกคืออะไรก็คือศาสนาวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์เจดีกุฏิศาลา วิหารสิ่งเหล่านี้เป็นเปลือกของพระพุทธศาสนาส่วนสิ่งที่เป็นเนื้อของพระพุทธศาสนาเรียกว่าศาสนาธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเนื้อของศาสนากุฏิศาลาโบทเจดีย์วิหารวัตถุมงคลต่างๆ เรียกว่าเป็นเปลือกของศาสนาที่เราไม่ควรที่จะให้ความสำคัญในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆไม่มีศาสนวัตถุเลยมีแต่ศาสนาธรรมล้วนๆมีแต่การสั่งสอนธรรมมีการศึกษาธรรมมีการปฏิบัติธรรมและมีการบรรลุธรรม สมัยพระพุทธเจ้านี่มีพระอาหารหันตสาวกนับเป็นหมื่นเป็นแสนได้สมัยนี้แทบจะหาไม่ได้เลยมีแต่ศาสนาวัตถุเต็มไปหมดสมัยพระพุทธศาสนาสมัยพระพุทธเจ้าศาสนาวัตถุแทบจะไม่มีเลยโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีกุฏิก็ไม่มี พระอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื้อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้างอยู่ในปา่าช้าอยู่ในป่ากันเพราะสถานที่เหล่านั้นเป็นที่เพาะปลูกเนื้อของศาสนานั่นเองในยุคของพระพุทธเจ้าศาสนาจึงมีแต่เนื้อเลือกไม่ค่อยมีแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ เราไปให้ความสำคัญต่อเปลือกกันและไม่ให้ความสำคัญต่อเนื้อของศาสนากันศาสนาจึงมีแต่เปลือกแล้วก็มีปัญหาตา่ตางๆตามมามากมายเพราะว่าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเป็นผู้ที่จะชี้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรหรืออะไรไม่ควรกัน ศาสนาของพวกเราทุกวันนี้จึงเป็นเหมือนกับผลไม้ที่มีแต่เปลือกไม่มีเนื้อแก่เปลือกออกมาก็ไม่มีเนื้อให้รับประทานเปลือกก็รับประทานไม่ได้ศาสนาวัตถุวัตถุมงคลต่างๆนี้ไม่สามารถทำให้ใจนั้นดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ไม่สามารถทำให้ใจหลุดพ้น จากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่ศา ส, สนาธรรมเหมือนกับเนื้อของผลไมน้นี่เป็นอาหารของร่างกายได้แต่เปลือกของผลไมน้นี้เป็นอาหารไม่ได้จิตใจของมนุษย์เหล่านี้ถ้ามีแต่เปลือกของศาสนาก็จะมีแต่ความหิวความโหยความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ถ้าไม่มีเนื้อของศาสนาดังนั้นขอให้เรามาทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าศาสนาส่วนที่สำคัญของศาสนาที่เป็นเนื้อของศาสนาก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการที่เราจะได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นสาระมาเป็นที่พึ่งแก่ใจมาดับความทุกข์ ภายในใจมาสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมอยู่ในใจธรรมที่อยู่ภายนอกนี้ยังไม่เป็นประโยชน์ ธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต้องเป็นธรรมที่อยู่ในใจของผู้ปฏิบัติเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บยาจะวิเศษขนาดไหนถ้าอยู่ภายนอกของร่างกายนี่ไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้ต้องกินยาถ้าเอาอยาเข้ามาในร่างกายแล้วยาก็จะได้ทำหน้าที่ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ต, ต่างๆให้หายไปได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ายังไม่ได้เข้ามาสู่ภายในใจก็จะไม่สามารถที่จะรักษาใจให้หายจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ไปถึงพระนิพพาน แดนอันเกษม ส, สันได้ต้องนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆ่าตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์เกิดจากการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินี่แหละคือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรให้ความสำคัญส่วนเรื่องศาสนาวัตถุนี้จะทําก็ไม่ห้ามแต่ต้องให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุธรรมก่อนเพราะศาสนาวัตถุนี้มีประโยชน์เฉพาะร่างกายเท่านั้น เช่นถ้ามีกุติก็จะทำให้พระนนดอยู่กันอย่างสบายหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้มีโบสถ์ก็มีศาลาก็จะได้มีที่มาประชุมกันมาประกอบศาสนาพิธีเช่นการบวชพระบวชสำเนีงการฟังเทศฟังธรรมการถวายกระถินการถวายผ้าป่า หรือการถวายจะตกปัจจัยทยทานอาหารขาวหวานถ้ามีศาลามันก็สะดวกแต่ถ้าไม่มีศาลาก็ยังทำได้อยู่นั่งอยู่ข้างนอกก็ทำได้ถ้าฝนไม่ตกเราก็นั่งรวมกันที่พื้นตรงไหนก็ได้สมัยพระพุทธการท่านทำแบบนั้นกันเป็นส่วนใหญ่ท่านอยู่กับธรรมชาติทำอะไรก็ทำกับธรรมชาติ บสสมัยก่อนก็ไม่ต้องเป็นโบสถ์ไม่ต้องเป็นโบสถ์แบบที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ท่านกำหนดเขตตรงไหนขึ้นมาก็เป็นโบสถ์ขึ้นมาแล้วนั่งกำหนดเขตเอาตรงนี้บริเวณนี้มีต้นไม้มีอะไรก็เป็นโบสถ์ได้คำว่าโบสถ์ก็คือที่ทำสังฆกรรมที่ประชุมของพระไม่จำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาใหญ่โต เป็นอิดเป็นปูนเป็นอะไรเป็นราคาเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าจะสร้างก็ไม่ห้ามอนุโมทนาด้วยแต่ให้อยากจะชี้บอกของความสำคัญของสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามันไม่สำคัญมากเท่ากับการศึกษากับการปฏิบัติกับการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนัง ที่จะเป็นอาหารของใจที่จะเป็นที่พึ่งของใจวัตถุต่างๆนี้เป็นที่พึ่งของร่างกายเช่นเรามีศาลาเราก็ทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างปลอดภัยฝนตกก็ไม่ต้องหลบหนีกันแต่ถ้าเราไม่มีศาลาเราก็ทำไปตามมีตามเกิดฝนตกก็แยกทางกันไปกลับบ้านกันไปตัวใครตัวมัน ถ้าฝนไม่ตด ก, ก็ทำบุญกันไปใส่บายกันไปฟังเทศฟังธรรมกันไปก็อยู่ได้ของพวกนี้มันไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่เราจะไปหลงงม ง, งายกับมันจนลืมสิ่งที่สาคัญลืมเนื้อของาศาสนากันไปปอกส้มแล้วก็เอาเปลือกปกินกันโยนเนื้อทิ้งกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของคนไม่ฉลาด ของคนฉลาดเขาจะปอกเปลือกทิ้งแล้วเขาจะกินเนื้อกันคนที่เข้าหาพระพุทธศาสนาก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรให้ความสำคัญต่อถาวรระวาตุต่างๆมากจนเกินไปมากจนลืมเรื่องของเนื้อหนังของศาสนาก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนและบรรลุ ทที่ได้จากการปฏิบัติถ้าบรรลุแล้วก็จะได้ตัดภพตัดชาติไปตามลำดับถ้าบรรลุขั้นที่หนึ่งขั้นโสดาบันก็เหลือภพชาติไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สองเป็นพระสกิดาคารมีก็จะเหลือเพียงชาติเดียวของการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอขึ้นขั้นที่สาขั้นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไปเกิดเป็นพรมนล้ขั้นที่สก็ขั้นพระอาหารหันต์ก็ไปพระนิพพานได้เลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติจากการบรรลุธรรมแต่ผลที่เราจะได้รับจากการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารสร้างอะไรต่างๆ เราก็จะมีสถานที่มาประกอบศาสนาิจต่างๆเช่นมาบวชพระมาถวายผ้ากระถินถวายสังฆทานหรือทาพิธีกา ร, รอะไรต่างๆซึ่งบีก็ทาได้ไม่มีก็ทำได้สมัยพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่มีโบสถ์ทำพิธีท่านก็เอาตรงไหนก็ได้ตรงไหนที่เป็นที่ว่างที่บรรจุคนได้ เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีโบสถ์แสดงที่ไหนเวลามีพระอาหารหันต์หนึ่ร้อยรูปมาฟังเทศในวันมาฆาบูชามีโบสถ์ที่ไหนสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งตัดสรู้ใหม่ๆซึ่งประกาศพระธรรมคำสอนใหม่ๆไม่มีใครสร้างโบสถ์ถวายให้ไม่มีใครสร้างวัดถวายให้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไปเรื่องอ ให้ญาติโยมมาสร้างบสถมาสร้างเจดีกัแต่แต่เป้าองค์ทรงไปโปรดสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่มีความสนใจผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด อันนี้คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาไม่ได้มีปารานาที่จะมาสอนให้ญาติโยมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เพื่อจะได้ร่าจะได้รวยจะรวยขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายตายแล้วมันก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อันนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการสอนให้ทาบุญทาทานการสอนให้ทาบุญทาทานนี้เพื่อให้หยุดการใช้เงินซื้อ ของต่างๆซื้อความสุขต่างๆพวกเราอยากจะร่ารวยกันเพราะอะไรเพราะเราจะได้ซื้อของอะไรต่างๆตามความอยากทำอะไรตามความอยากยิ่งไปทำตามความอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างภพสร้างชาติให้มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะความอยากนี้แหละเป็นตัวที่จะพาให้เราไปเกิดใหม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเอาเงินที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไว้ดูแลรล่างกายของเรานี้เอาไปทำบุญให้หมดอย่าเก็บเอาไว้เพราะเดียวมันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาแล้วเมื่อเอาไปใช้ตามกิเลสตัณหาก็เท่ากับการไปซื้อภพชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปทท่นั้นเองไม่ได้ทำให้ภพชาติน้อยลง วิธีที่จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงก็คือเอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากต่างๆนี้เอาไปทำบุญเมื่อไปทำบุญแล้วก็จะหยุดใช้เงินตามความอยากได้ภพชาติก็จะน้อยลงไปเพราะตัวที่จะพาให้เรามาเกิดนี้ไม่ใช่ตัวไหนหรอกตัวความอยากนี่แหละพอเราอยากแล้วเราก็ต้องมีร่างกายอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหู อยากกินก็ต้องมีปากอยากดื่มก็ต้องมีปากอยากร่วมหลับนอนกับแฟนก็ต้องมีร่างกายถึงจะร่วมหลับนอนกันได้ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ตายไปก็ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่พอมาเกิดใหม่ก็มาทำตามความอยากกันไม่ต้องมีใครสอนเลยใช่ไหมพ่อแม่ต้องสอนไหมว่าหนูต้องทำความอยากอย่างนี้นะหนูต้องไปดูไปฟังไปกินไปดื่ม ไม่ต้องสอนเลยพอเห็นปั๊บก็อยากได้เลยพอเห็นปั๊บก็อยากจะกินเลยเพราะมันเป็นของที่ติดมากับใจและเป็นตัวที่ผลักให้ใจต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอันใหม่ก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายอันไหมมีความทุกข์กันใหม่นี่คือเรื่องของความอยากที่พระเจ้าสอนให้พวกเราตัดกันละกัน ละกันด้วยการทำทานเอาเงินที่จะไปทําตามความอยากอย่างวันนี้ญาติโยมเอาเงินก้อนหนึ่งมาซื้อข้าวซื้อของแล้วก็เอามาทำบุญถวายพระอันนี้คือการทำบุญเพื่อละความอยากอย่าไปทำเพื่อที่จะให้ร่ำให้รวยเช่นวันออกลอตเตอรี่ก็มาใส่บาตรมาทำบุญกันเผื่อตอนบ่ายมันจะได้ถูกลอตเตอรี่จะได้ร่ำรวยขึ้น เพื่อจะได้เอาเงินไปซื้อของตามความอยากกันเพื่อจะได้ต่อพบต่อชาติให้มันยาวออกไปอีกต่อความแก่ความเจ็บความตายให้มันเพิ่มมากขึ้นไปอันนี้ไม่ใช่เจตนาของการทำบุญทําทานาำบุญทําทานเพื่อให้เราไม่มีเงินที่จะไปใช้ทำตามความอยากตา่ตางๆให้เก็บเงินไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นการใช้เงินกับสิ่งที่จาเป็นนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็น การทำตามความอยางเช่นต้องซื้อข้าวมากินซื้อเสื้อผ้ามาใส่ซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นเราต้องมีเงินเก็บเอาไว้สำหรับใช้กับสิ่งเหล่านี้แต่อย่าเอาเงินไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อลองเท้าคู่ใหม่ทั้งๆ ท, ที่มีรองเท้ามีกระเป๋าอยู่หลายใบแล้วนอกจากว่าถ้ามันขาดมันหายไป รองเท้าไม่มีใส่กระเป๋าไม่มีใช้ถ้าซื้อด้วยความจาเป็นนี้ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากไม่เป็นไรซื้อได้แต่ถ้ามีเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วก็ยังอยากจะซื้อเสื้อผ้ามาชุดใหม่อันนี้เรียกว่าซื้อพบซื้อชาติต่อความทุกข์ให้มียาวออกไปเอาเงินมาทําบุญดีกว่าทําทานดีกว่าจะทาบุญกับพระกับวัดก็ได้จะทาทานกับโรงพยาบาลกับโรงเรียน กับคนยากจนกับคนแก่คนชรากับคนเจ็บไข้ได้ป่วยกับคนพิการก็ได้ทํากับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาทํากับมา้าทํากับแมวก็ได้ขอให้เอาเงินนี้ไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่นอย่าเอามาทําตามความอยากของเราเท่านั้นแหละอันนี้คือเจตนาของการ ทำทานนี่คือเป้าหมายของการทำทานทำเพื่อตัดสะพานของการที่จะทำตามความอยากต่างๆพอไม่มีเงินก็ไปทำตามความอยากไม่ได้อยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ก็อยู่บ้านจะได้รักษาศีลได้จะได้นั่งสมาธิจะได้ทำใจให้สงบได้อันนี้แหละคืออุบายของพระพุทธเจ้าสอนหญาติโยม การใช้เงินใช้ทองแล้วพอเราไม่ใช้เงินใช้ทองมากเกินไปเราก็จะไดไ้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้มากเกินไปเราก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติมาบรรลุธรรมกันถ้าเรามัวแต่ใช้เงินเราก็ต้องไปหาเงินเมื่อหาเงินเราก็จะไม่มีเวลา ที่จะมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาบรรลุธรรมกันเนี่ยศาสนาของพวกเราทุกวันนี้มีแต่เปลือกเนื้อนี่แทบจะหาไม่หาไม่ได้เลยคนที่บรรลุธรรมกันนี่หาหายากมากกว่าจะหาได้สักคนนี่นี่ไม่เหมือนสมัยพระพุทธกาสนี่เดินไปทางไหนก็ชนกับพระอรหันต์ชนกับพระอริยเจ้า แต่หาโบดไม่มีหาเจดีไม่มีห า, มมหากุติไม่มีกันเนี่ยยุคดั้นกับยุคนี้มันกลับตาลปัดกันเพราะใจของพวกเรานี่มันกลับตาลปัดแทนที่จะมีสัมมาทิฏฐิมันกลับไปมีมิจฉาทิฏฐิกันเห็นกงจักเป็นดอกบัวกันเห็นศานวัตถุว่าเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาเห็นศาสนธรรมว่ากลายเป็นเปลือกไป จึงไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องของการศึกษาของของพระเนนกันเท่าไหร่พระเนนเวลาศึกษาไม่มใีใครถวายเงินถวายทองแต่ถ้าพระมาสวดศพนี่ถวายกันเป็นเป็นบ้าเป็นบอกันถ้าพระมาสวดสังฆทานนี่ถวายกันแต่ถ้าพระไปเรียนหนังสือกับไม่ถวายเงินกันแล้วท่านจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอย่างไรค่าเดินทางค่าอะไรต่าง ก็าราไม่มีการสนับสนุนเรื่องการศึกษาเรื่องการปฏิบัติกันศึกษาแต่เรื่องของเปลือกกันทำบุญทำทานเพื่อให้ร่าให้รวยกันทำบุญทำทานเพื่อสะเดาะสะเดาะเคราะห์กันทำบุญทำทานเพื่อบําบัตเพื่อกําจัดสิ่งบัตสีต่างๆสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆทําไปยังไงมันก็ยังบัตไม่ได้กําจัดไม่ได้ เพราะการทำบุญทาทานนี้มันไม่ได้ไปทำหน้าที่นั้นหน้าที่ของการทำบุญทาทานเพื่อกำจัดความอยากต่างหากแต่เราไม่รู้กันพอเรามีเคราะกัรกันก็ไปสะดาะครับเคราะกัรถวายสังฆทานไปนิมนต์พระมาบังสกุลไปนิมนต์พระมาสวดพระท่านก็เลยเฮ้ย hey, ทาอย่างนี้ดีกว่าบุญบังสังสวนนี้มีรายได้ไปเรียนหนังสือไม่มีรายได้ ไปปฏิบัติธรรมไม่มีรายนาะไปอยู่วัดป่ลองไปอยู่วัดป่าที่วัดปฏิบัติธรรมกูบาอาจารย์ท่านห้ามไม่ให้พระเองมีเงินมีทองกันเพราะถ้าเห็นว่าเงินทองมันก็เป็นเหมือนกับญาติโยมนะพอมีแล้วมันก็ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวก็อยากจะได้ iPhone เครื่องใหม่เดีอยากจะได้ iPad เดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ไปอินเดียไปอเมริกา ไม่ได้ไปเผยแผ่ธรรมแล้วจะเาพรที่ไหนไปเผยแผ่เมื่อตอนเองยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุไปก็เพื่อไปเที่ยวกันนั่นแหละแต่เพื่ออ้างว่าไปเผยแผ่ธรรมกันเอาธรรมอะไรไปเผยแผ่ก็เอาบุญบางสังสวดไปเผยแผ่กันแหะไปที่ไหนก็ไปสวดกันไปรับซองกันนั่นแหะส่วนที่จะมาสนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจกัน ร้านเอนก็เลยไม่มีกําลังใจที่อยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติกันนี่ก็คือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิยุคนี้เราอยู่ในยุคมิจฉาทิฏฐิเป็นพุทธศาสนิกชนแท้ๆแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นแก่นอะไรเป็นเปลือกกลับไปให้ความสาคัญกับเปลือกเพราะความหลงเพราะคิดว่าการทำบุญทำทานให้พระมาสวดมา เ่าหัวแล้วจะทําให้เกิดความเป็นศริมงคลแก่ชีวิตจะทําให้ร่ําให้รวยจะปัดเป่าทุกภัยอันตรายทั้งหลายให้หมดไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกสิ่งที่จะทําให้เราปัดเป่าทุกภัยอันตรายทั้งหลายก็คือการปฏิบัติทรรนี้แหละการทําใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วใจก็จะไม่ไปทําบาปทํากรรมไม่ไปทําอะไร ที่ทำบาปทํากรรมกันก็เพราะว่าใจมันไม่สงบมันถูกกิเลสตัณหาเขยา่าเมื่อมันถูกกิเลสตัณหาขยา่ามันก็เลยต้องไปทาําตามคําสั่งของกิเลสตัณหาอยากได้เงินก็ไปหาเงินหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็หาวิธีทุจริตไปขายยาเสพติดไปขายยาบ้าไปประกอบกิจกรรมที่เป็นมิจฉาชีพต่างๆ นี่คือเพราะว่าใจไม่สงบใจไม่ได้หยุดความอยากกันใจส่งเสริมความอยา ก, กนบ้านเมืองของเราสังคมของเราจึงวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้เพราะใจไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนให้เราหาความสุขที่แท้จริงกันความสุขที่แท้จริงมีอยู่แต่พวกเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันเราถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่า ความสุขอยู่ที่ราบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสกันเราจรึงไปขวนขวายไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้กินอาหารกินแล้วก็ไม่อิ่มกินแล้วก็ต้องกินอยู่เรื่อยๆหามาอยู่เรื่อยๆ ต่อให้มีร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่พอก็ยังอยากจะหาอยู่นั่นเพราะยังไม่เจอความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือความพอนี่แหละถ้ายังไม่ถึงเมืองพอก็แสดงว่ายังไม่เจอความสุขที่แท้จริงคนที่ถึงเมืองพอเมื่อไหร่นั่นแหะคนนั้นเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีพระพุทธเจ้านี่แหละ้าหลานทสาลกนี่แหละ ท่านเจอเมืองพอแล้วท่านไปถึงเมืองพอแล้วท่านไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญเมืองพวกเราดูพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างไรท่านอยู่ตามโคนไม้ผ้าอาลาันตสาวกท่านอยู่อย่างไรท่านอยู่ตามเนื้อผาอยู่ตามเรือนร้างอยู่ในป่าอยู่ในเขาท่านไม่ เ, เหมือนพวกเราที่อยู่ในบ้านคขาลาหัดอันใหญ่โตมี เครื่องอำนวยความสุขเครื่องอำนวยความสะดวกรอบด้านแต่ใจเป็นยังไงร้อนเป็นไฟหรือเย็นหรือสงบกันนี่แหละเพราะว่าพวกเราทําตามกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี่ก็เป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟที่จะเผาจิตใจของพวกเรายิ่งทําตามกิเลสตัณหามากน้อยเพียงไรเท่าไหร่ยิ่งจะแผดเผาจิตใจของเราให้รูปร้อนไปมากขึ้นไปเท่านั้นไม่ได้ทําให้เย็นลง ถ้าอยากจะทำให้เราเย็นทำให้ใจเราสงบทำให้ใจของเราอิ่มทำให้ใจของเราพอเราต้องมากำจัดกิเลสตัณหาไม่ใช่ทำตามกิเลสตัณหาเราต้องต่อสู้ต้องฝืนกิเลสตัณหามันอยากจะให้เราเที่ยวเราอยากไปเที่ยวอยากจะให้เราซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอย่าไปทำตามมันให้เราใช้มากน้อยสันโดษของ พระพุทธเจ้านี่แหละคืออาวุธที่จะสู้กับกิเลสตัณหาอยากได้มากมากพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้อยากได้น้อยๆให้มักน้อยให้ยินดีตามมีตามเกิดอย่าชู้จี้จุกจิกเพราะว่ามันจะไม่พอได้อย่างนี้ก็จะเบื่อก็อยากจะได้อย่างนั้นพอได้อย่างนั้นเดี๋ยวเบื่อก็อยากจะได้อย่างโน้นมันก็ของเหมือนกันแหะกินกับข้าวมันก็มี เข้าไปในท้องแล้วมันก็ทำให้อิ่มเหมือนกันไม่ต้องไปจู้จิกจู้ี่จุกจิกว่าจะต้อกินอาหารชนิดนี้อาหารชนิดนั้นกินไปยังไงมันก็เหมือนกันกินไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันถ้าจู้ที่จุกจิกแล้วไม่ได้กินตามที่อยากกินก็เสียใจไม่สบายใจแทนที่จะทำให้ใจสุขใจสงบใจกลับต้องมาทุกข์กับการกินของร่างกาย ร่างกายมันไม่รู้เรื่องหรอกมันกินอะไรเอาอาหารให้มันกินพอท้องมันอิ่มมันก็พอแล้วมันสบายแล้วแต่ใจนี้ถ้าได้กินอาหารไม่ถูกปากก็ไม่สบายขึ้นมาอีกทั้งทั้งที่ใจไม่ได้กินผู้ที่กินก็คือร่างกายแต่ใจกลับต้องมาทุกข์กับการกินของร่างกายเพราะไม่ได้กินอาหารถูกใจนี่คือเรื่องของกิเลสตัณหามันจะมีแต่สร้างเรื่องความวุ่นวายใจ เรื่องความไม่อิ่มไม่พอให้กับเราตลอดเวลาเราต้องสู้มันเราอยากไปทําตามความอยากเวลาจะกินถ้ามันอยากเจ้าจี้จุดจิตก็กินแบบพระเอาเทใส่เข้าไปในชามมันเดียวคุก ม, มันเข้าไปเลยคุกเหมือนข้าวหมาเนี่ยแล้วก็เลี้ยงมันร่างกายนี้ขอมันก็เหมือนหมาตัวหนึ่งมันกินอะไรก็ได้ร่างกายมันไม่รู้หรอกว่ามันกินอะไรตัวที่รู้ก็คือใจแต่ใจไม่ได้เป็นคนกินเข้าใจไหม คนที่คือกินก็คือร่างกายแต่ใจกลับไปวุ่นวาย ก, กับการกินของร่างกายพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พระฉันในบาปฉันในบาตเอาอาหารทุกอย่างที่จะเข้าไปในท้องนี้เอาเข้าไปในรวมกันในบาปแล้วก็คุกคนมันเหมือนกับเวลาที่มันอยู่ในท้องแล้วก็กินเข้าไปนี่คือวิธีกินบาตแบบปราบกิเลสปราบตัณหาต้องกินอย่างนี้ แลต่อไปมันจะไม่จูจจ้จี้จุกจิกมีอะไรมันก็กินได้แล้วมันก็จะสบายใจมีอะไรอยากจะกินไม่ได้กินเดี๋ยวก็เสียใจแต่ถ้าไม่มีความอยากจะกินสิ่งนั้นสิ่งนี้อาหารชนิดนั้นชนิดนี้มีอะไรก็กินตามมีตามเกิดได้ก็จะไม่มีความเสียใจไม่มีความทุกข์ใจนี่คือวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขกันเราต้องศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาไปปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มันเบาบางลงไปและหมดไปจากใจของเราได้กิเลสเบาลงไปเท่าไรความเย็นใจก็จะมากขึ้นความร้อนใจก็จะน้อยลงความทุกข์ใจน้อยลงไปความสุขใจมากขึ้นไปกิเลสหมดเมื่อไหร่ความทุกข์ใจหมดเมื่อนั้น ความสุขใจจะมีเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจนั่นคือหัวใจของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายท่านกําจัดกิเลสไปหมดจากใจใจของท่านจึงมีแต่บรมสุขปรามังสุขขังความทุกข์ไม่มีอยู่ภายในใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์เลยเพราะต้นเหตุที่ทำให้มีความทุกข์คือกิเลสนั้นถูกกําจัดไปหมดนั่นเอง นี่คือเนื้อของศาสนาที่พวกเราควรที่จะกินกันอย่าไปกินเปลือกของศาสนาอย่ามัวไปวุ่นวายกับการสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างวัดแต่ละวัดนี่ต้องมาวุ่นวายเลื่ยๆสร้างโบสถ์สร้างเจดีกันทำไมทำไมไม่มาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมาสร้างสถานที่ศึกษาธรรมกันให้เรามาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมกันดีกว่าแล้วจิตใจจะมีแต่ความสุข จิตใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เราจะได้เรียนรู้กันถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันถ้าเราศึกษาพระธรรมคําสอนศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนากันเราจะได้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นเนื้อแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง